แน่นําบทลุกมานบทลุกมานเป็นบทมักกียะมี 34 องค์การบทนี้อัลลอฮฺได้กล่าวถึงคัมภีร์ซึ่งถือเป็นปาติฮาลของมุฮัมมัดซึ่งในคัมภีร์ได้นําหลักฐานมายืนยันให้ประจักษ์ถึงความเป็นเอกะของพระเจ้าแห่ง 3 กัลป์โลกกล่าวถึงหลักฐานแห่งเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ความสวยงามอันน่าประหลาดใจในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลที่มีระบบอันรัดกุมในการสร้างชั้นฟ้าแผ่นดิน ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กลางวันและกลางคืนขุนเขาและหน้าน้ำคลื่นลมและสายฝนพืชผลและต้นไม้และในทุกสิ่งที่มนุษย์ได้พบเห็นจากหลักฐานแห่งเดชานุภาพและความเป็นเอกะของพระเจ้าแห่งสากลโลกซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจและสติปัญญายอมรับและยอมจํานนต่อหลักฐานที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเขาโดยไม่ต้องสงสัยหรือลังเลได้อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นการเตือนพวกบูชาชีวิตให้ตระหนักถึงหลักฐานแห่งเดชานุภาพและความเป็นเอกภาพที่ปรากฏออกมาในจักรวาลอันกว้างใหญ่และสวยงามบทนี้จบลงด้วยการเตือนให้ระลึกถึงวันอันน่าหวาดกลัวที่ทรัพย์สินและบุตรหลานจะไม่อํานวยประโยชน์อันใดเลยบทนี้ถูกเรียกชื่อว่าบทลุกมานเพราะได้กล่าวถึงเรื่องของลุกมานอัลฮากิม อรยูลุกมานนักปรัชญาที่ประมวลไว้ด้วยคุณค่าแห่งปรัชญาเคล็ดลับของการรู้จักอัลเลาะห์และคุณลักษณะของพระองค์ประณามการตั้งภาคีใช้มีมรรยาทที่ดีงามและห้ามปรามให้ละเว้นการกระทําที่น่ารังเกียจไม่เป็นที่ยอมรับอีกทั้งยังประมวลไว้ด้วยการสั่งเสียที่มีคุณค่าซึ่งอัลเลาะห์ทรงสอนให้พวกเขาพูดออกมาและนั่นคือปรัชญา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 ราวนี้ถือบรรดาองค์การแห่งคัมภีร์อันชัดแจ้งผู้ทรงพระ رحمتา ลิมุฮซินีนเพื่อเป็นทางนําที่ถูกต้องและเป็นความเมตตาแก่ผู้ที่กระทําดีทั้งหลายอัลลอซีนะยูกีมูน อัศ-ศอลาต วะยูอตูนะซะกาตวะฮุมบิลอาคิเราะติฮิมยูอีนูนคือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติละหมาดและบริจาคซะกาต และพวกเขาเชื่อมั่นต่อวันปรโลกอูลากะอะลาฮุตัมมินร็อบบิฮิมวะอูลากะฮุมุลมุฟลิหูนชนเหล่านี้คือผู้ที่ตั้งอยู่บนทางนําที่มาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาและชนเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับความสําเร็จอามีนอันนาซีมันยัชตารีละฮูวัลฮะดีษลิยุดิลอันซะบีลิลลาฮิบิไฆรอิล์ม ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين แลเนหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ซื้อเอาเรื่องไร้สาระเพื่อทำให้เขาหลงไปจากทางของอัลเลาะห์โดยปราศจากความรู้และถือมันเป็นเรื่องขบขันชนเหล่านี้พวกเขาจะได้รับการลงโทษอันอัปยศ وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّامِسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ لَمَّا أَوْنْكَان ทั้งหลายของเราถูกอ่านให้แก่เขาเขาก็ผินหลังให้อย่างยะโสประหนึ่งว่าเขาไม่ได้ยินองค์การนั้นๆ เพราะหนึ่งว่าในหูของเขานั้นหนวกดังนั้นเจ้าจงแจ้งข่าวแก่เขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดเถอะอินนัลลซีนามานูอะมิลุศศอลิฮาติละฮุมญันนาตุนนะอิมแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายพวกเขาจะรับสวนสวรรค์อันสุขสราญคอลิดีนฟีฮาวะอัดัลลอฮิฮักกอนวะฮวัลอะซีซุลฮะกีม เพราะเขาเป็นผู้พํานักอยู่ในนั้นตลอดกาลสัญญาของอัลเลาะห์นั้นเป็นจริงเสมอและพระองค์คือผู้ทรงอํานาจผู้ทรงปรีชาญาณคอลักกอสซามาวาติบิไฆรอามัดตารูนฮาวัลกาฟิลอัรฎิรอวาสิอันตามีดบิคุมวะบะซาฟีฮามินกุลดา وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍพระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าโดยปราศจากเสาที่พวกเจ้าจะมองเห็นมันได้และทรงปักเทือกเขาไว้อย่างมั่นคงในแผ่นดินเพื่อไม่ให้มันสั่นคลอนไปกับพวกเจ้าและทรงให้สัตว์ทุกชนิดแพร่หลายไปในแผ่นดิน แล้วเราได้น้ําฝนหลั่งลงมาจากฟากฟ้าและเราได้พืชทุกชนิดงอกเงยออกมาเป็นคู่ๆอย่างสวยงามฮาซาคอลลอฮิฟาอรูนีมาซาคอลักกัลลดีนมินดูนะบัลอซซาลิมูนฟีดะลาลินมบีนนี่คือการสร้างของอัลเลาะห์ดังนั้นพวกเจ้าจงแสดงให้ข้าเห็นสิว่า อันใดเล่าที่เขาเล่านั้นได้สร้างมันขึ้นมาอื่นจากพระรูปแต่ว่าผู้อาทำทั้งหาที่อยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง